พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21พิพฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าฝึกใจให้ปล่อยวางวันนี้เป็นวันพระ แรมแดคำ่ำวันที่ย1อพฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันท ร, รมัวฐานะเป็นวันพระแต่ถึงยังไงก็ตามขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราที่เคยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีอายุพอสมควรแล้วควรจะปล่อยวาง ปล่อยวางยังไงปล่อยวางก็คือปล่อยให้ลูกให้หลานเขาทำไปบ้างตัวเองเ็าอยู่ห่างๆไม่ใช่ว่าเท่าแกเท่าไรก็ยิ่งเขาไปครุกอะไรก็สู้ข่าม่ไ้อะไรก็สู้ข่าไม่ได้ยึดหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่บางสิง่งบางอย่างเขาปล่อยวางแต่บางสิง่งบางอย่างถ้าปล่อยวางมากเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวครอบครัวแตก เดี๋ยววงการเสียหายอันนี้เราก็จะต้องเข้าไปจับจุดนั้นเอาไว้ออย่างม้าก็เหมือนกันเมื่อขึ้นขี่ม้าเนี่ยเรื่อขึ้นขี่เรือเนี่ย เ, เจ้าของของเรือก็ต้องไปนั่งประกบให้ขับไปทางไหนให้ทำอย่างไรอันนี้ก็มันก็ต้องมีพ่อแม่จะต้องดูดูแลการเป็นอยู่ของลูกๆทั้งหลาย ที่จะดำเนินการต่อไปไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจใส่ใจเสลยก็ไม่ได้ท่านลูกหลานเดินออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางทรับสมบัติเอาไปขายปลปีเอาไปเล่นเอาไปปะกงประกันอะไรไปทํำไมแบบคนรุ่นใหม่เพื่อจะเอาเงินออกมาทํามาค้าขายพอทํามาค้าขายก็ไม่ใส่ใจตัวเองก็ยังไม่ตายไง พ่อแม่ยังไม่ตายเงินหมดก่อนแล้วจะทำยังไงทั้งที่ตัวเองหามากับมือสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเราจะไปปล่อยป่าดละเลยมากก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราต้องดูแต่เราจะไปครุกจนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะเหมือนกับเราไม่รู้จักปล่อยจักวางอีกสักวันหนึ่งค่าจะต้องตายอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าค่ายก่อนที่จะตายอยากให้ค่าได้จน ค่าหามากับมือแล้วพอเท่าแก่มาแล้วเนี่ยไม่มีอันจะกินอดอยากไปหมดพอลูกดำเนินนยโยบายผิดพลาดเป็นนี่เป็นศีลพลุงพลังไปหมดอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกจุดนี้พ่อแม่ก็จะต้องเข้าไปดูอีกเหมือนกันปล่อยวางมากก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกเรายังมีปากมีท้องอยู่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองที่จะพูดให้ ให้ครุกจริงๆก็ไม่ใช่จะให้ถอยจริงๆหลบพอก็ไม่ใช่ถึงจะครกก็ให้ครกด้วยปัญญาถึงจะถอยก็ให้ถอยด้วยปัญญาให้คิดให้รอบคอบทุกอย่างเพราะการเป็นอยู่ของเราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเราเนะี่ยรับผิดชอบมากที่สุดในการบริหารจัดการการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นหวนพราอย่างนี้ถึงอย่างไงก็ตามะ ถึงเราจะทําการงานภายนอกแต่งานภายในหรือว่างานการกุศลที่จะบําเพ็ญไปสู่ประโลกภายภาคหน้าเราก็ไม่ควรจะปล่อยปะกหน้าเลยวควรจะมีทั้งทางโลกด้วยมีทั้งทางธรรมด้วยทางโลกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะอย่าให้ขาดถูกปกพ้องในการบริหารจัดการการเป็นอยู่ของตนเองการทํามาหาเลี้ยงชีพ แต่ทางด้านจิตใจพวกเราจะไปปล่อยถือสิ่งนั้นแหละสําคัญที่สุดการเลี้ยงชีพเน่ยการหาเงินหาทองนั่นแหะสําคัญที่ชุดอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอย่านะอันนั้นเพียง เ, เลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอยู่ต่อไปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ผมหนอกผมขาวไปเรื่อย <น>เเลี๋ยงก็งกงกงานงานไป เ, เรื่อยเดี๋ยวก็ถึงจุดจบตายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เดี๋ไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานร้อยปีพันปีมีไหมเฮ้ร้อยปีก็ทั้งยากแล้วนี่แหะเลี้ยงร่างกายมันมีจุดจบคือตายแต่ใจของเราน่ะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจใจคือนามธรรมจุดนั้นแหละคือนามธรรม คือจุดนามา ร, รมคือใจนั่นที่จะออกจากร่างนีจะไปที่ไหนได้คิดไว้หรือยังถ้าว่าเราไม่ได้คิดจุดนี้แปลว่าเราขาดตูวปกพ่องถึงจะสมบูรณ์ทางเงินคำทรัพสมบัติทางการบริหารจัดการภายนอกบริบูรณ์แต่ขาดทางด้านจิตใจพอเท่าแก่ชรามาแล้วเนี่ย พอใจจะขาดท่านั่นแหะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าว่าข้าจะไปที่ไหนข้าตายออกจากนี้แล้วจะไปไหนตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดศูนย์ใช่ไหมถ้าศูนย์ทําไมมันมีผีอยู่ผียังรอกคนอยู่เราก็เชื่อว่ามีผีคําว่าผีคํานี้แหละคืออะไรคือวิญญาณคือใจของพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสรุปแล้วก็คืออย่าให้ขาดตกปกพ่องทั้งสองอย่าง ทางอาหารกายก็จะให้ขาดตกปกพ่องอาหารใจธรรมะเข้าสู่จิตใจบุญกุศลเข้าสู่จิตใจก็จะให้ขาดตกปกพ่องถ้าว่าขาดตัวเรตัวหนึ่งก็จะทำให้การบริหารเรื่าการเป็นอยู่ของตนเองเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งด้านจิตใจแต่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ท่านจะเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายขึ้นการยังชีพการยังชีพถึงจะเป็นยังไงกัเป็นพอเป็นพอไปอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์อย่างพระทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่ได้เนเน้นหนักการสแสวงหาภายนอกมีแต่ว่าให้มีพาดไตรจีวรสามผืนสังคาติจีวรสบงพานุง่งและก็อัดทบริขารแปด มีบาทมีกล่องเข็มมีของใช้ประจำตัวของตัว8ดอย่างมีแต่ของแบบอยู่แบบง่ายๆทั้งนั้นทั้งนั้นชีวิตของเราก็เรียยพอประทังฉันอาหารวันละมือ้ออย่างพวกเราทั้นทั้งหลายฉันมื้อเดียวไม่ต้องยุ่งอะไรมากชีวิตทั้งชีวิตสิ่งที่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์ อย่าหามาใส่ตัวเองให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าถึงจะมีวัดวาศาสานาอย่างนี้ก็เถอะมีหน้าที่ทําก็ทํามีหน้าที่สร้างก็สร้างทางไปแต่เวลาเรามานั่งภาวนานั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานนั่งสมาธิออตอนเย็นหรือตอนไหนก็ตามเราคิดว่าเอ้ยหลวงตาอินเอ้ย อ, อย่าไปหลงนะ วัดวาศาสนาศรัธทธาญาติโยมคู่คนทั้งหลายทั้งปวงแต่กระดูของหลบพ่ออินอยู่ในร่างกายเนี่ยเอามาจากท้องแม่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องเผาไฟทิ้งนะอย่าลุ่มหลงมัวเมาหน่าหลวงมอมอมอลพ่ออินหน่าอันนี้ ค, คือปล่อยวางในจิตใจส่วนจิตใจลึกๆอันนี้เราจะไปพูดให้ใครฟังบ่อยๆไม่ได้เราจะต้องสอนตัวเองอยู่ในใจอย่างนั้นเสมอถ้าสอนอย่างนี้ไปวางไม่ลืมตัว ควรที่จะทำสิ่งไหนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อวัดวาศาสนาเราก็จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สดุดในจิตใจของเราเนี่แหละถ้าหากว่าพวกเราคิดอยูอย่อย่างนี้อยู่เสมอนะโอพนธิโกน้อมล้ำลึกในใจไว้อยู่เสมออย่างนี้ความลืมตัวจะไม่มีเมื่อไ ม, ไม่มีการลืมตัวการวางตัวทุกอย่างก็จะเหมาะสม จะไม่กระโดกกระเดกใครข้าไม่เอารัดเอาเปียบคนอื่นแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปียบเราเราก็ต้องมองเขามองเรามองชุมชนมองผู้ที่อยู่ใกล้ของเราเราจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างไรอันนี้แหละถ้าพวกเราคิดไว้อย่างนี้เสมอคือมรณงเมภาวิสติ แลลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอพวกนั้นพวกเราจะไม่ลืมตัวนะแต่พวกเราจะคิดได้อย่างนี้จะคิดได้ด้วยวิธีอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้านะท่านก็บอกเป็นแนวทางเอาไว้บอกว่าเรื่องสมาธิจำเป็นและสาคัญก่อนที่จะทำสมาธินะทำยังไงท่านก็บอกว่าให้กำหนดลมหายใจถึงจะเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้อริยาบทสี ได้ทั้งหมดแต่เวลามันนอนมันหลับเร็วเกินไปเวลานอนมันหลับเวลายืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แต่โดยมากกรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท่านใ ห, ให้โดยมากท่านจะส่งเสริมอริยบทสองคือเดินกับนั่งเนี่ยเดินกับนั่งยืนก็ได้แต่มันงนเงนินแต่ต้องหาที่พิง ยืนถืด น, นานๆานแต่โดยมากมีแต่นั่งกับเดินนั่งสมาธิเวลาเดินทำยังไงเดินอย่างเดินยังขมเดินที่ไหนก็เดินเดินรอบวัดก็ได้เดินที่ไหนก็ได้ให้มีกำหนดอยู่ในที่สงบนะไม่ให้มีที่พุกพ่านวุ่นวายถ้าไปอยู่เดินเนที่พุกพ่านวุ่นวายเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าอีกเหมือนกันนะั่นแหะ เดินแต่แก่เนี่ยเดินไรเดินงกงกเงินเงิ น, เ, งน<ๆ>เดินกลับไปเดินกลับมาเนะนี่ยบาสนี่ยแหนเขาจะว่านะเนี่อพอเขาว่าอย่างนั้นเราก็โมโหให้เขาเองจิตใจของเราทั้งที่มันจะสงบนะเนี่ยมันโมโหให้เขาเราไม่จะสงบได้ยังไงพราเขาว่าเป็นบ้าโ ท, ทบ้านทูเมืองใช่ไหมล้วก็ต้องไปหาหมุมสงบอในวัดของเรากันนะเดินโยกรมเขาไม่ว่ากันเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ใครก็เดินโยกรมอยู่แล้ว เดินมากแต่แล้วเขาก็ไม่ว่ากันเพราะแบบเออ น, นั่คือเดินอยู่กรมก็รู้กันแต่ไปเดินผิดที่ผิดทางเขาก็จะว่าให้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหามุมเดินอยู่ในวัดวาสานานสงบที่สงบเดินในบ้านของเราเป็นเอกเทศกลางคืนแล้วก็เดินอยู่กรมขาขวาพุทธขาซ้ า, ายโทพุธโทพุธโธพุธโธเดินไปถึงจุดแล้วก็ม้วน ประทักสินเวียนขวากับขวาหันขวากับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถึงที่สุดแล้วเวียนขวากลับพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้คือวิธีฝึกสติในขณะที่เดิ น, นให้สติอยู่กับขาเดินก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโธให้มีสติอยู่ที่นั่นอย่าไปคิดไปทางอื่นไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตไม่ต้องคิดไปทางไหนให้อยู่กับสติบังคับ ให้จิตอยู่กับขาตัวเองอันนี้แหละคือวิธีการบังคับให้เกิดสติจากนั้นเมื่อเราเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งแต่เมื่อเราทำความเพียรอยู่ในวัดนะหรือว่ามารักษาศีลอย่างวันนี้เมื่อเดินเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งขาขวาทับขาซ้ายนิ่งมันนิ่งเราจะไปกำหนดขาเดินไม่ได้ น, นับขาซ้ายขวาขวาไม่ได้าขาไม่กระดุกกระดิกใช่ มันมีแต่กระดุกกระดิกคืออะไรคือลมหายใจเข้ามันยังเทียวอยู่แทนเอ่นิ่งเข้าไปแล้วลมมันยังเดินหายใจเข้าหายใจออกเอาก็หนดลมเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละเพราะลมมันยังเดินมันยังเงทียวอยู่แต่คนไม่ตายมันต้องมีลมเช่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดอนาคตไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้บัลลูนี้อนาคตอดีตกอคือคิดถึงเมื่อวานวันก่อน ที่แล้ ว, ลวมาไม่ต้องคิดให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หายใจเข้าพุทธหายใจออกพุทธพุทธพุทธบังคับใช้ว่าบังคับะไม่ใช่วปล่อยตามจะคิดก็คิดจะปล่อยก็ปล่อยไม่ใช่นะบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธพุทธพุทโทเนี่แหละอันนี้เป็นการฝึกสติะ นั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้เราตั้งไว้ไว้เลยเมื่อเวลามีเท่าไหร่วันนี้เราจะนั่งเท่าไหร่อย่างพระของเรามีเวลามากข้าพเจ้าจะนั่งสามชั่วโมงสองชั่วโมงกลางคืนห้าหชั่วโมงว่ากันไปเอาหนักหนักอันนี้เราวิธีการวิธีการฝึกสติในเมื่อเราฝึกสติจิตใจของเรารวมสงบ เมื่อรวมสงบเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเออที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าตายแล้วเกิดโตัว น, นี้เองใจนี่เองจะพาไปเกิดแต่ร่างกายเนี่ยแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเผาไฟทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ทั่วที่จะไปเกิดนั่นคือนามธรรมาคือใจตรงนี้แหละมันเด่นชัดเเกินเมื่อจิตใจรวมสงบไราจะยิ่งเห็นชัดเ อ, อแต่ก่อนเราไม่มีไฟฉายออมัวมวก คำซ้ายคำขวาเนี่ยแต่เมื่อมีไฟฉายเราเห็นชัดถ้านมีกล้องจุลทรรศน์เข้าไปยิ่งเห็นชัดไปอีกอเพราะเราเรามีกล้องส่องว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ถ้าเราไม่มีกล้องตามืดมัวอกีกเราจะไปรู้จักได้ยังไงตใจของเราเป็นไรมีแต่คิดได้จับรลือดเล็ดเงาหายไปไม่รู้จับตั้งใจจับอยู่ๆหายไปไม่รู้คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ จับไม่อยู่แต่มีสมาธิจับเท่านั้นะดูที่ใจดูที่ใจดูที่แนวความคิดเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะศึกษาสรุปแล้วก็คือกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันกายเป็นกายเป็นลูกน้องของใจใจเป็นนายกายเป็นเบาเหมือนกับรถ โซเฟอร์สําคัญกว่ารถรถถึงจะสําคัญขนาดไหนก็เถอะไปจอดไว้ที่ไหนถ้าโซเฟอร์ไม่ไปขับแล้วผมก็อยู่ที่นั่นแหละตากแดดตากฝนอยู่ที่นั่นแหะน้ําท่วมก็ท่วมอยู่ที่นั่นแหละมันไปไหนไม่ได้ถ้าโซเฟอร์ไปขยับไปขับออกมานั่นแหละจังว่าโซเฟอร์เนี่ยสำคัญกว่ารถเพราะพระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญว่ามะโนปุพัง คำมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอาณาจัตยายาิโยมอย่าไปหลงโลกจนเกินไปแล้วก็โลกเป็นการธรรมาหาเลี้ยงชีพก็จะให้ขาดตกบกพร่องทำทางด้านจิตใจ การแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจก็จะให้ขาดตกปกพ้องเพราะมันมีความจําเป็นทั้งสองอย่างอาหารทางด้านจิตใจก็คือเราจะทําเดินทางไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าให้สแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่แหะทุกอย่างต้องศึกษาทั้งหมดอาจาสรุปแล้วต้องมีการศึกษาต้องมีการเรียนรู้จึงจะเข้าใจได้นะ จะรับพ่อนอนุโมทนาให้ผ่